มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักอุปสำปันะปัญหาที่ห้าถามว่า พระพุทธเจ้าเป็นอุปสัมบญลหรือไม่ใครเป็นผู้ให้อุปสมบทราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นทรณีจึงมีพระราชาองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอุปสัมปทาอันว่าอุปสมบทนี้ดีหรือหรือว่าอนุปสมบทนี้ดีพระนาคเสนมีเทระวาจาว่า มหาราชะขอถวายพระพรมหาบพิษมาหิสรด้วยอิสริยยศอุปสมบทนี้ดีกว่าอนุปสมบทขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานสมเด็จพระมหากรุณานี้เป็นอุปสมบทหรือหรือว่าเป็นอนุปสมบทเล่า ฝ่ายพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้เป็นมาหิดสอนอันเลิศสมเด็จพระมหากรุณาผู้ประเสริฐเป็นองค์อุปสมบทสมเด็จพระเจ้ามิลินปินอิสริยยศจึงตรัสประกาศให้ปรากฏแกโยนกข้าหลวงทั้งห้าร้อยว่าโพนโตปันจยโยนกสตาดูราณะโยนกข้าราชการผู้จำเรินทั้งห้าร้อยคอยฟังว่า อายังนาคเสโนพระนาคเสนี้ว่า wa, สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเป็นอุปสมบทสู่ชาวเจ้าจงกำหนดฟังไว้เป็นพยานในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาฉลาดผู้เป็นเจ้าว่า สมเด็จพระบรมโลกกาณาสมณะโคดมเป็นอุปสมบทเมื่อสมเด็จพระศรีสุคตอุปสมบทนั้นใครเป็นอุปชากรรมวาจามีสงมานั่งหัตถบาตเท่าไหร่นิมน์วิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเสณถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาณาปราศจากอุปชายาจารย์ทีเดียวโสด พระองค์อุปสมบทใต้ควงไม้พระสีมหาโพธิ์พร้อมด้วยพระสัพพัญยุตยานหาครูหาอาจารย์ไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นทวีปเวียงชัยจึงมีพระราชโอการตรัสในทันทีว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าสมเด็จพระมหากรุณานี้ไม่มีใครเป็นครูอุปชาอาจารย์ถ้ากรณนั้นพระทศพลยาสมณะโคโดมบรมครูเจ้า ก็เป็นอนุปสมบทไม่ได้เป็นอุปสมบทเหตุว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอุปชาที่วัดจะบวชให้ก็ไม่มีจะว่าสมเด็จพระมหากรุณาเป็นอุปสมบทอย่างไรเอวังวุตเตในเมื่อพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีพระราชองค์การตรัตชนีพระนาคเสนผู้มีอายุอรหะเป็นพระอรหันตตาธิบดีปฏิสัมพิทับปโต มีพระยานแตกฉานในปฏิสัมพิทามิลินทราชาหนังเจตัธวูจจึงเปรียบความถามพระเจ้ากรุงมิลินทราชโดยโวหารว่ามหาราชะขอถวายพระพบรบพิษผู้ประเสริฐในสริงคารทุกวันนี้บพิษพระราชสมภารเสวยพระสุธาหารหรือหาไม่ได้นะพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินทราชมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตเออพระผู้เป็นเจ้าโยมบริโภคอยู่พระนาค เ, เสนจึงถามว่าก็ใครเป็นครูเป็นอาจารย์บอกให้เสวยพระสุธาหารเล่าพระเจ้ากรุงมิลินจึงตอบว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าประเวณีกินข้าวปลาภูชนะหารใครจะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนกันพระนาค เ, เสนจึงมีเถรวาจาว่าถ้าการณนั้น มหาบพิษไม่เสวยพระสุธาหารด้วยครูอาจารย์จะสอนให้เสวยนั้นไม่มีมหาบพิษนี้ก็ไม่เสวยพระสุธาหารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตน า, าเกษตรข้าแต่พระน า, าเกษตผู้มีปรีชายานลักษณะจะกินโภชนาหารใครจะเป็นอุปชาอาจารย์กันเล่าพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมนี้บริโภคอาหารด้วยเป็นอาเสวนะกระทาได้เองเป็นอาเสวนะสำหรับสงสารพระนาคเษนถวายพระพรว่าถ้ากรณนั้นพระราชาสมภารจงสร้าบ พ, พระยานให้จงดีเถิดนี้ก็สมเด็จพระพัควันตะบอพิษผู้ประเสริฐทรงสร้างบารมีบริบูรณ์ท่วนสิบทั์ได้ตรัสอุปสมบท ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยพระสัพพัญยุตยานเป็นอาเสวนาเป็นเองไม่มีครูอุปชาอาจารย์เหมือนพระราชสมภารเสวยสุทาหารเป็นอาเสวนาะเป็นเองสำหรับสงสารไม่มีครูอาจารย์นี้เหตุดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรยโลกกมลีเมื่อสร้างพระบารมีท่วนสิบทัตแล้วก็ตรัสในควงไม้พระศรีมหาโพธิ สำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานเป็นอาเสวนะด้วยพระองค์เองหาอุปชาอาจารย์มิได้นี้อัศจรรย์ก็บันดาลมีปรากฏในแผ่นภรณีนาคพิภพทุกแหล่งล่าโลกบัลือลั่นชัดจันทาจะขุปฏิละพันติคนตามืดหูหนวกหนักแต่ก่อนก็กลับกลายโอภาษเห็นจำแจ้งจริงจังที่หูหนวกหนักก็ได้ฟังเสียงสำเนียงต่าง ปีทะสัปปิโนที่ง่อยเพลียก็ขยับย่างเดินไปได้พร้อมขุดชาที่หลังค่อมคตนั้นก็ยืนยันยืดตรงเป็นปกติดีไปไม่ค่อมเข้าชิคัดิชาปิปาสาอันหนึ่งเล่าประเ ท, ที่อดข้าวอดน้ำอยากอยู่เป็นกำลังนั้นปฏิละพันติก็ได้บริภพโภคโภชนาหารอิ่มน้ำสำราญมรื่นชื่นสว่าง สัตว์นรชาติที่อาฆาตจองเวรแกกันมาช้านานก็ได้พรหมวิหารผูกเมตตาต่อกันเปตะวิเเยวินัสสันติเปรตทั้งหลายก็อันตรธานหายจากเปรตวิสัยของอันเป็นพิษนั้นไสก็กลายเป็นน้ำอมฤตอันโอชามุนหะคัพพาอิติโยอันว่าสตรีทั้งหลายอันมีคันอันหลงก็คลอดลูกง่ายได้ สัมภารทั้งหลายที่ซัดไปในท้องทะเลลึกเล่าก็กลับคืนเข้าท่าได้คนที่หลงทางเล่าก็ได้ทางทุกคันทชาติอันมีกลิ่นเหม็นต่างๆก็กลับหอมหวนหยวนใจเพลิงในอเวจีนรกนั้นก็บรนดานดับน้ำเค็มในทะเลก็กลายกลับบรนดานหวานวารารสปับพระา อันว่าบรรพศภูมิสิขรินก็ร้องก้องไปมาน้ำในมหานาทีทั้งห้าแถวที่ไหลแน่วลงมหาสมุทรก็หยุดอยู่อันหนึง่งมูทิพยะบุปผาในท้องฟ้ามีหลายพันเป็นอาธิคือจุนจันสารพีพิกุลโกสมมุลทารบทิพอันหอมหวานก็บันดาลตกลงมากระทําส ก, การบูชาสัพเพเทวะฝูงเทพเทวาทั้งปวง ก็โปรยปรายวิกาสิตะบุภาทิพยบุตรสบาบานบูชาพระมุโนโอพโธเตนติส่วนพรมทั้งหลายยอพระกรตบพระหัตตรสาธุการวิมานพระจันทร์อนลอมด้วยเดือนดาวในวิหาเหมือนจะลอยมากระทำสาธุการบูชาปางเมื่อสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณโคโด ม, มโคตอุปสมบทใต้ควงไม้พระสีมหาโพธิสาเร็จ พร้อมด้วยพระสร้อยสันเพชชดายานในการครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าอาราธนาพระผู้เป็นเจ้าจงกระทำอุปมาให้โยมสิ้นกังขาสนเทศนั้นก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเวลามหาบพิษเสด็จทรงคอคดฉาสน จะมีใครๆมาขี่พระสอพระองค์บ้างหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่มีถ้าใครมาขี่คอโยมเวลานั้นศีรษะเฉทางพวิยะผู้นั้นจะต้องบั่นศีรษะศีรษะก็เด็ดออกไปในขณะนั้นพระนาคเษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภาร บุคคลผู้ใดจะเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์ขืนข่มให้สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าอุปสมบทไม่ได้มุทธาตสะพะลยะศีสะผู้นั้นก็จะแตกออกไปเป็นแม่นมั่นเหมือนกันกันกบบุคคลมาขี่พระสอมหาบาพิษนั้นอันหนึ่งเล่าตังวเทศิพระราชสมผ่านเจ้าถามอัตมาว่าพระสงฆ์นั่งหัตถบาทเท่าไหร่ ถามกรณีหรือพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชองค์การรับว่าจริงอยู่พระผู้เป็นเจ้าโยมถามพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาไปพระนาคเษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบวพิทธพระราชสมภารผู้ประเสริฐในอิสริยยศจะได้มีภิกษุสงฆ์อุปสมบทนั่งหัตถบาศหาไม่ได้ เมื่อพระมหากรุณาเจ้าเข้าไปอุปสมบทใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธนั้นโสดสมเด็จพระโคดมมาโคตมีแต่ผลกับมักเป็นสงนั่งหัตถบาตอันหนึ่งพระราชสมภารเจ้าเข้าพระทัยว่าสงสงนี้นั่งอย่างไรเล่าอ้อจะขอวิสัชนาให้พระราชสมภารเจ้าฟังภาสิตังปิเหตังต้องด้วยพระพุทธฎีกา โปรดไว้เป็นบาทพระคาถาว่าฉนี้จัตตาโรมะเคปฏิปันโนจัตตาโรวะเลทิโตเอสะสังโคอุชุภูโตปัญญาศีละสมาหิโตกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าบุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในปัญญาสมาธิและศีลสมาธิมีจิตอันตรงดำรงอยู่ในมรรคสี สบุคคลผู้นี้แหละเรียกว่าสงสิ้นกระแสะพระพุทธดีกาเท่านี้ก็ที่ว่าบวดอุปสมบทให้สงนั่งหัตถบาต ท, ทุกวันนี้ก็สมมุติว่าสงแปดจำพวกนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรก็สมมสอนซองสาธุการว่าสาธุสะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวปัญหาเปรียบนี้วิจิต ควรจะฟังเป็นอัศจรรย์ยิ่งหนักหนาตกว่าอุปสมบทนี้ดีกว่าอนุปสมบทแน่แล้วสิพระผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าจะมีใครให้อุปสมบทแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่าหามไม่ได้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปให้แจ้งก่อนพระน่าเกษรจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิทพระราชสมภาร จะได้มีผู้ใดให้อุปสมบทแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคอย่างพระองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทไว้แก่สาวกมิให้ประพฤติล่วงตลอดชีวิตนั้นหาไม่ได้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชค์การตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วอุปสัมปั น, นะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้